โอวาทข้อที่สามวิธีสร้างความดีลูกจะต้องอ่านคำพีอี้จริงให้เข้าใจอย่างทะลุปลุกโป ร, ปปร่เพราะเป็นคำพีที่ดีมากเล่มหนึ่งเพียงหน้าแรก ให้กำลังใจแก่ผู้อ่านอย่างมหาศาลโดยกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่สั่งสมแต่ความดีไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวจะได้รับผลดีทนนั้นแม้ลูกหลานเหลินหลนก็ปร้อยได้เสวยผลแห่งความดีนั้นด้วยเพราะเหตุนี้ท่านตาของท่านคงจื้อนักปราดอันเลื่องชื่อของจีนท่านจึงยกลูกสาวของท่าน แห้กับท่านพ่อของท่านของจีง่เพราะท่านได้พิจารณาอย่างที่ท่วนแล้วว่าชายที่จะมาเป็นบุตรเคยของท่านนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วยังต้องมีบรรพชนที่มีประพฤติดีประพฤติชอบมาหลายชั่วอายุคนด้วยและก็เป็นความจริงตระกูลนี้ได้กำเนิดนักปราชที่ชาวจีนทั้งประเทศ ต้องสักการบูชาเป็นปูชนียบุคคลที่หายากในโลกปูนหนึ่งคือท่านของจื่อไงละลุกต่อมาท่านของจือ่อได้สรรเสริญท่านตี้ซุนที่พอได้กลายใลูกฟังไว้ทีหนึ่งแล้วว่าท่านตี้ซุนเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่อย่างยอดเยี่ยมหาใครเปรียบได้ยากบารรพชนของท่านตีซุนจะต้องยินดีปรีดา ที่มีลูกหลานที่ดีเช่นนี้มาเส้นไหว้บูชาส่วนลูกหลานที่กระทำตนไม่ดีนั้นแม้จะเส้นไหว้บูชาบรรพชนบนรรพชนก็ไม่ยินดีด้วยและไม่ยอมรับการเส้นไหว้บูชาด้วยลูกศึกษาประวัติศาสตร์สมัยชุนชิวแล้วลูกก็จะเข้าใจดีว่าลูกหลานของท่านตีสุนก็คือแขวนเฉินทั้งหมด ได้มีความรุ่งเรืองอยู่นานหลายชั่วอายุคนทีเดียวอเดตจึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ลูกจะได้ศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและจดจํำมาจะสิ่งที่ดีงามเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของลูกเองมีคุณนองตําแหน่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งมีหน้าที่ถวายพระอักษรห้องเตะไม่ยังทรงพระเยาว ท่านผูนี้มีบรรพชนที่ยึดอาชีพแจวเรือจ้างมาหลายชั่วคนมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่พระอาจารย์ยังไม่เกิดฝนตกนานจนท่วมตลิง่งกระแสน้ําได้พัดพาชีวิตผู้คนและทรัพย์สินลอยตามน้ามามากมายชาวเรือจ้างต่างก็สารวนเก็บทรัพย์สินขึ้นเรือเป็นของตนมีแต่ท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์ท่านนี้เท่านั้น ที่ไม่ยอมแตะต้องสิ่งของใดๆเลยตั้งหน้าตั้งตาช่วยชีวิตคนที่ลอยตามกระแสน้ําอันเชี่ยวครากมาใครๆก็พากันหัวเราะเยาะว่ า, าท่านทั้งสองเนี่เป็นคนโง่ไม่รู้จักโจยโอกาสหาความร่ํารวยใส่ตนแต่การหาเป็นเจนันไม่เมื่อท่านปู่ได้ลูกชายคือท่านบิดาของท่านพระอาจารย์นี้ความเป็นอยู่ของท่าน กลับไม่ลำบากดังแต่ก่อนครอบครัวมีความสุขสบายขึ้นท่านทวดสิ้นบุญไปแล้วต่อมาท่านปูกระถึงกรรมลงมีเต้าหญินท่านหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทวดาแปลงร่างมาปรากฏได้แนะนำให้ท่านพ่อของพระอาจารย์นำศพของท่านทวดและท่านปูไปฝังรวมกันในที่แห่งหนึ่งใกล้บ้าน ซึ่งมีชัยภูมิดีมากเป็นมงคลลก่ลูกหลานต่อไปทุกวันนี้ห่วงซุยกระต่ายขาวนี้เป็นที่เรื่องลือกล่าวขวัญกันทั่วทุกทิศสดุดีในเกติคุณของคนแจวหรือจ้างที่เป็นท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์ถือกำเนิดมาพออายุได้ยี่สิบปีก็สอบไล่ได้ตามขั้นตอนทั้งหมด ได้รับราช ก, การเป็นขุนนางจนได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแก่หงเตะเมื่อหงเตะทรงทราบทั้งคุณงามความดีของท่านทวดและท่านปูของพระอาจารย์ก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานยศขุนนางให้กับ ท, ท่านทวดท่านูและท่านพ่อของพระอาจารย์อีกด้วยเพเป็นการแสดงให้ปรากฏว่าการทาความดีงามนั้น ยอมได้รับสิ่งที่ดีงามสมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปแม้ชีวิตหาไม่แล้วก็ตามอันหนึ่งลูกหลานของพระอาจารย์ก็ได้รับประชาการเป็นใหญ่เป็นโตตราบจนทุกวันนี้มากมาย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 เลือดไหลนองพื้นก็ยังไม่หายโกรธเสมือนอำเภอตนเห็นความทารุณไม่ไหวจึงคุกเข่าที่หน้าโต๊ะว่าความของในอำเภอขอให้ปราณีนักโทษหยุดตีสในอำเภอตอบว่าปราณีน่าได้แต่ผู้ต้องหาคนนี้ไม่รักษากฎหมายไม่มีศีลธรรมจะไม่ให้โรกรธใครได้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 ยังต้องนําเมตตาธรรมมาร่วมกับการวินิจฉัยคดีความด้วยทางใดที่จะพรห น, นักเป็นเบาได้ก็ควรให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปแต่แสดงความโกรธมากมายเช่นนี้ผู้ต้องหาเกรงอาญาก็จะรีบยอมรับเซก่อนทั้งทั้งที่ตนไม่ได้ทำผิดดังที่ถูกกล่าวหาจะไม่เป็นการปลักปรำรัศฎรไปนะ ดีใจยังเป็นการไม่บังควรจะโกรธได้ทิศไหนแนอำเภอสํานึกในคาพูดของสมิทธ์อำเภอตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าสแสดงความโกรธความดีใจในขณะที่จําระความอีกเลยสมิทธ์อำเภอท่านนี้ฐานะยากจนมากเพราะมีแต่เงินเดือนขั้นต่ําไม่เคยขูดรีดรดัศดรไม่ยอมรับของกํานันจากใคร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 และขอมากๆเสียด้วยท่านก็ไม่เคยบ่นว่าตักให้มากๆทุกวันเป็นเวลาสามปีตลอดระยะสามปีนี้ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวไม่เคยให้น้อยไม่เคยเบือนหน่ายต่อการให้สามปีประดุลหนึ่งวันเต้าหญินแอบชมเชยนางอยู่ในใจว่าจะหาใครให้ทานได้สม่ำเสมอ โดยไม่อิหนาระอาใจเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วท่านยังพูดกับนางว่าอาตมาฉันขนมของท่านมาสามปีแล้วจึงใครจะขอตอบแทนพระคุณท่านเศรษฐีที่หลังบ้านของท่านมิทิว่างอยู่ถ้าท่านทำฮวงซุยในบริเวณนี้ได้ต่อไปลูกหลานอีกห ล, หลายชั่วคนของท่านจะได้เป็นขุนนางถ้าจะเปรียบก็พูดได้ว่า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 ยังไม่ได้เป็นคุณนานจึงไปนั่งท่องตําราที่เขาแห่งหนึ่งซึ่งปลอดจากผู้คนมารบกวนมีเสียงปีศาจร้องกันมากมายชุมนุมกันอยู่ในบริเวณนั้นท่านแซ่อิงก็ไม่กลัวอยู่เมื่อคืนหนึง่งท่านได้ยินเสียงปีศาจคุยกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเดินทางไปหากินอย่างแดนไกลนานแล้วไม่กลับมาพ่อผัวแม่ผัวก็เลยบังคับไปผู้หญิงคนนี้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 ก็เลยกลับใจไปบังคับไปหลอกสะพ้ยไปแต่งงานใหม่ต่อมาบุตรชายของตนกลับมาสามีปัญญาก็ได้อยู่กินเป็นปกติสุขตลอดมาอยู่มาอีกคืนหนึ่งท่านแซอิงก็ได้ยินปิศาจพูดอีกว่าฉันน่าจะมีคนมาตายแทนแล้วเจ้านะแต่ซิ่วชายเนี่ยทาเสียเรื่องหมดปิศาจอีกตนหนึ่งก็พูดว่า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 บิดาเป็นผู้มั่งคั่งในเมืองสูจโจมีอยู่ปีหนึ่งฝนแรงมากท่านจึงให้ชาวนาทำนาของท่านฟรีไม่เก็บค่าเช่านาเลยเป็นตัวอย่างอันดีง า, ามที่เจ้าของนาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นท่านยังนำข้าวที่เก็บไว้มาแจกจ่ายกับคนยากไร้อีกด้วยเพราะตกกลางคืนก็ดยินเสียงปีศาจมาร้องว่า แม้จะพูดสักพันครั้งหรือสักหมื่นครั้งก็รมเจาขอยืนยันว่าเป็นความจริงที่สิวชายในตระกูลสีนี้ได้เป็นจีเยินแล้วพิสารร้องอยู่ทุกคืนติดต่อกันนานจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมีการสอบไล่ซิวชายท่านนี้ก็ไปสอบกับเขาด้วยปรากฏว่าสอบได้เป็นจีเยนินจริงตามที่พิสารมารอง บิดาของท่านเห็นว่าการทำดีเพียงเท่านี้ยังได้ผลดีทั้งเพียงนี้ท่านไปยิ่งมุมานะทำดียิ่งยิ่งขึ้นสะพานจารดท่านก็ให้คนไปซ่อมเสีให้ดีถนนทนทางครุกระสัญจรไมส่สะดวกท่านก็ให้คนไปซ่อมให้เรียบร้อยภิกษุที่ไม่มีโยมอุปถาท่านก็ทาสำรับกับข้าวไปถวายทุกวัน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 ในตระกูลฝีนี้จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่มีตำแหน่งสูงสุดในภูทอนต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมีคุนนางอีกท่านหนึ่งแซ่ถูรับราชการอยู่ในเรือนจำที่เมืองเจียฟางท่านพักอยู่ในเรือนจำแต่มีเวลาว่างท่านก็จะไปคุยกับพวกนักโทษเพื่อจะได้รู้ความจริงว่า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 ปลดปล่อยเพราะท่านในขณะนั้นสิบกว่าคนรัศดรต่างพากันชื่นชมยินดีโดยไม่ทราบว่าทิแท้เป็นการปิดทองหลังพระของท่านแส่ถูนั่นเองท่านแสตถูยังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาวา่าในเมืองหลวงแทๆ้ๆยังมีผู้ถูกปลักปรา ม, มากมายเช่นนี้ถตาหูเมืองที่ไกลปืนเที่ยงออกไปจะได้รับความอายุติธรรมขนาดไหน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 มีนามว่าท่านจงฟงฮ่องเต้นในสมัยนั้นในสถาปนาท่านเป็นถึงสังฆราชท่านมีคุณธรรมล้ำเลิศมีคนไปน้ำสการท่านมากมายอยู่มาวันหนึ่งมีพวกนักศึกษาัลธิคงจีได้พากันไปน้ำสการท่านกราบถามท่านถึงปัญหาหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเน้นหนักในเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดุดเงาตามตัวบัดนี้ปรากฏว่าบางคนทําดีแต่ลูกหลานไม่จเจริญรุ่งเรืองส่วนคนที่ทําชั่วนั้นเล่ากลับได้ดีมีหน้ามีตาเช่นนี้แล้วจะเชื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรกันพระเทราจงฟงกล่าวตอบว่าหากเราจะวินิชัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าใช้ทัศนคของชาวโลกก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางโลกแต่ใช้ทัศน์ทางพุทธธรรมก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางธรรมอันปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้แจ่มแจ้งเท่าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยในทัศน์ทางโลกจึงไม่อาจถูกต้องเสมอไปบางทีคนดีก็มองไปว่าเป็นคนไม่ดี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 การอ่อนน้อมมีมารยาทดีจึงจะดีบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการละโมบอยากได้ของเขาอื่นไม่ดีการไม่โลภถือสันโดษเป็นความดีท่านจงฟงเถระว่าได้จะสายหน้าว่าไม่ใช่อย่างว่าเสมอไปท่านอธิบายว่าแต่เราทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเรียกว่าทำความดีแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราเอง นั่นคือความไม่ดีถ้าเราทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นถึงแม้เราจะตีเขาก็ดีดุด่าว่ากล่าวก็ดีรวนแต่เป็นการกระทำดีทั้งนั้นแต่เพื่อประโยชน์ของเราเองเราจึงอ่อนน้อมต่อผู้อื่นทำความคารวะต่อผู้อื่นนี่เป็นความดีปลอมไม่ใช่ดีจริงฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตาม ถ้าทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วซ้ายเป็นความดีจริงทั้งนั้นถ้าเราทำเพื่อผลประโยชน์ของเราเองก็เป็นการดีปลอมทั้งนั้นถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจะเป็นความดีที่ดีแท้หากยังต้องการอำนาสินจ้างรางวัลจึงจะทำความดีความดีนั้นก็เป็นดีปลอม เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีก็จะต้องพิจารณาไคลโครวนทุกแง่ทุกมุมเสีก่อนเพฉะนั้นการวินิจฉัยของเราก็าจะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ความดีข้อที่สองคือการทําความดีโดยบริสุทธิ์ใจหรือแฝงด้วยเจตนาใดๆ สมัยนี้คนส่วนมากชอบคนที่มีนิสัยไม่ดื้อรั้นว่าเป็นคนดีแต่นักปราดท่านมักจะชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองเพราะคนชนิดนี้มักจะสอนง่ายแต่หาได้ยากมากคนที่ว่านอนสอนง่ายชักจงอย่างไรก็ไปอย่างนั้นถึงแม้ใครต่อใครพาคนชมเชยว่าเป็นคนดีนักหนาก็ตามทีแต่ท่านนักปราดกลับเห็นว่าคนชนิดนี้ เป็นผู้ร้ายในคุณธรรมสอนให้ดีได้ยากหาความก้าวหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีความไม่ดีชาวโลกมักเห็นตรงข้ามกับนักปราชญ์อยู่เสมอส่วนเจวดาฟ้าดินนั้นมีความเห็นตรงกับนักปราชญ์ดังนั้นการทำความดีจึงมิได้อาศัยที่ตาดูหูฟังแต่ต้องเริ่มที่ใจของตนเอง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 มักจะเห็นว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาแต่ทางทมแล้วเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้ทำความดีมากพอกับการมีชื่อเสียงจึงมักจะได้รับผลไม่ดีในบั้นปลายแต่คนดีที่ได้รับการปรักปราจนเสียชื่อเสียงนั้นลูกหลานกลับรุ่งเรืองได้ดีมีสุขเพราะผู้ที่ได้รับการปรักปรา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 รบราข้าฟันช่วงจิ้งเขตแดนกันจับฉเฉลยศึกได้ก็นำไปเป็นข้าทาสทั้งชายหญิงแคว้นหลูเป็นแคว้นเล็กๆไม่ค่อยจะมีกําลังไปสู้รบกับใครนักจึงมักถูกแคว้นอื่นบุกเข้ามาจับรัศดรไปเป็นทาสเสมอใครใจบุญอยากทำความดีก็นำเงินไปไถยมาคืนเจ้าผู้ครองแคว้นหลูก็จะได้รับรางวัล ท, ทันที ต่อมาท่านจีกงซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านของจือท่านก็ไปถ่ายเชลยศึกคืนมาให้แขวนหลแต่ไม่ยอมรับเงินลนงวันเพราะท่านมีฐานะดีอยู่แล้วทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆแต่เมื่อท่านของจือ ท, าทราบเรื่องเข้าท่านก็โกรธลู้สิษย์ของท่านมากท่านบอกว่าแขวนหลนั้นคนจนมากคนรวยมีน้อย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 อย่าไปเอาเรื่องกับคนเมาเลยปิดประตูซะเถิดต่อมาชายขี้มาคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อท่านอดิตใจเสี่ยงรู้เข้ากระเสียใจมากรำพึงว่าถ้าเราเอาเรื่องจะจะแรกติดาเราจะไปทําโทษสถานเบาเสที่อำเภอเขาจะไม่ต้องรับโทษประหารในวันนี้นี่เพราะเราแท้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 1223หรือ579ว่าเจ้าว่าวังซึ่งเป็นห้องเต้ที่โหดร้ายที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศ า, ศาสตร์จีนและเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางถูกปราบสำเร็จโดยเจ้าหวังหรือจิวบูอ๋งในปีก่อนคริสต์ศักราช1122ก่อนพุทธศักราช579เจ้าหวังสังสมแต่บาปกรรม ดุดการร้อยเงินเหรียญไว้เต็มพวงจึงรักษาแผ่นดินและชีวิตทุ่งตนเองไว้ไม่ได้การสั่งสมความดีความชั่วนั้นดุดนำของบรรจุลงในภาชนะถ้าสั่งสมทุกวันก็จะเต็มเปลี่ยนถ้าสั่งสมบ้างไม่สั่งสมบ้างหยุดหยุดทำทำบุญหรือบาบนั้นก็พร่องอยู่เสมอไม่มีวันเต็มได้เลย แต่ก่อนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปในวัดเพราะอยากทําบุญแต่มีเงินเพียงสองอบแปะความจริงราคาของเงินนั้นน้อยนิดเดียวแต่ค่าของความมีใจอยากทําบุญนั้นเหลือหลายท่านจะเอาวาดจิงกราวอนุโมตนาคาถาเองให้ศีลให้พรเองต่อมาหญิงนั้นได้เป็นพระสนมของฮ่องเต้ มีเงินมากมายจึงนำเงินไหลพันจำเลยมาที่วัดนั้นอีกเพื่อทําบุญคราวนี้เจ้าอาวาสให้พระลูกวัดกล่าวอนุโมทนาคาถาและให้สินให้พรแทนพระสนมเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ายากจนมีเงินทําบุญเพียงสองอิปแปแต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคถา และให้ศีลให้พรข้าพเจ้าดิตนเองมาบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้างจึงนํามาถวายหลายพันตำลึงแต่ทําไมท่านกลับให้พระลูกวัดทําหน้าที่แทนท่านเราท่านจะอาวาดกล่าวว่าแต่ก่อนนี้แม้ท่านจะทําบุญน้อยจะใจท่านนั้นเปลี่ยนไม่ได้เจตนาที่เป็นกุศลมาบัดนี้แม้ท่านจะมีเงินทําบุญมาก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 สเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ลหลายร้อยปีจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ค, ศศคริสต์ศักราช618ถึง907หรือพุทธ ศ, ศักราช1161ถึง1450ท่านเซนจงหลีก็รับรูกสิธิ์ไว้คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านหลีต้องปิงต่อมาจนถึงปัจจุบันผู้คนเรียกท่านว่าหลีจโหรือว่าหลี่โจ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 การทำความดีนั้นเมื่อทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำมาคิดถึงบ่อยๆเราก็ว่าการทำดีนั้นช่างยิ่งใหญ่นะักใครก็ทำไม่ได้เหมือนเราแต่คิดเช่นนี้ความดีนั้นจะเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทำแล้วก็ไม่นำมาใส่ใจอีกคิดแต่จะทำอะไรต่อไปอีกจึนจะดีก็จะเป็นความดีที่สมบูรณ์ไม่ตกไม่ลน เช่นการให้เงินกับคนยากจนในใจของลูกจะต้องอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ให้ภายนอกก็อย่าไปสนใจว่าใครเป็นผู้รับแม้แต่เงินที่เราบริจาคไปแล้วก็มองไม่เห็นว่าสำคัญตรงไหนให้แล้วก็แล้วกันลืมเสียให้ได้ไม่กลับมาคิดอีกใหยเสียเวลาเช่นนี้เรียกว่าทาความดีด้วยจิตว่างเปล่าเมื่อไม่ได้บรรจุอะไรไว้ที่จิตเลย จิตนั้นก็ย่ำเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลผลบุญพลังแห่งกุศลธรรมเช่นนี้ใหญ่หลวงนักสามารถทำลายเคราะห์กรรมได้ทั้งหนึ่งพันครั้งเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงไม่ได้ขกินอยู่กับปริมาณของเงินทองหรือวัตถุที่บริจาคแต่อยู่ที่ใจเราเท่านั้นที่จะทำจิตใจให้ว่างเปล่าจนสามารถบรรจุบุญกุศลได้เพียงใดต่างหาก ความดีข้อที่เจคือความดีที่ใหญ่หรือเล็กมีคุณนางผู้หนึ่งมีนาม ว, ว่าว้จงตะรับประจการอยู่ในกรมประวัติศาสตร์อยู่มาวันหนึ่งถูกจับไปยังโยมโลกปยายโยมได้สั่งให้เสมียนในโยมโลกนำบัญชีดีชั่วของท่านเว่ยมาให้ดูปรากฏว่าบัญชีชั่วนั้นช่างมากมายกายกอง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 จึงถามพญายมว่าข้าพเจ้ามีอายุยังไม่ถึงสี่สิบปีฉะไหนความชั่วมากมายเช่นนี้พยายมตอบว่าเพียงแต่จิตคิดมิชอบเท่านั้นก็เป็นบาปแล้วจันเห็นผู้หญิงสาวสวยก็มีจิตปฏิพัตจิตที่คิดไม่ชอบเช่นนี้ก็จะถูกบันทึกได้บัญชีความชั่วทันทีทันเบยถามต่อไปว่า ถ้าเจ็นนั้นได้บัญชีความดีอันน้อยนิดนี้ได้บันทึกไว้ว่าอย่างไรพญายมตอบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งห้องเต้ทรงดำิกจะซ่อมสะพานหินที่เมืองฝูเจียนท่านเกรงว่ารัศดรจะเดือดร้อนจึงถาวายความเห็นเพื่อยับยั้งพระราชดำรินั้นเสีย บัญชีความดีนั้นก็คือสำเนาที่ท่านทูลกล่าวถวายห้องเตนั่นเองท่านเวย์ก็แยงว่าแม้ข้าพเจ้าจะกระทำดังกล่าวจริงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะองค์ทรงดาเนินการไปแล้วไม่น่าเลยที่บัญชีความดีเพียงอย่างเดียวจะมีน้าหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่กองอยู่เต็มห้องนี้พญายมจึงพูดว่า การที่ท่านมีเมตตาจิตตระสตร์ดอเครงว่าจะได้รับความลําบากกันมากมายกุศลจิตนี้ใหญ่หลวงนักถ้าหากท่านยับยั้งได้สําเร็จก็จะยิ่งเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นอีกพลังแห่งกุศลกรรมนี้จะยิ่งใหญ่อีกหลายเท่านักแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ากระทําเพื่อชนหมู่ใหญ่แล้วใสความดีนั้น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 ความดีข้อที่ปคือความยากง่ายในการทำความดีสมัยก่อนท่านผู้คงแกเรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่คมใจได้ยากที่สุดซะก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สำคัญเสแล้วยอมจักเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านคงจือ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 ที่มนทนเจียงซีมีท่านพุทธเถ่าแส่ซู่ท่านยังชีพด้วยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึง่งมีชายคนหนึง่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้เจ้าหนี้ก็จะยึดปริยาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านพุทธเถ่าซูเกิดความสงสารสามีปริยาคู่นี้ยิ่งนัก จึงยอมเสียสละเงินที่เก็บออมไว้ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลาสองปีนํามาใช้หนี้แทนชายผู้นั้นทําให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัวอย่างหนึง่งมีชายคนหนึ่งได้ความยากจนยิ่งนักจึงนําภริยาและบุตรชายไปจํานําไว้ได้เงินมาพอประทังชีวิต เมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไทยคืนพระยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านพุทธเจ่าจางรู้เรื่องเขามีความสงสารเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมไว้แล้วถึงสิบปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกจึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งทั้งท่านบุทธเจ่าสู และท่านผู้โทษจางลวนแต่ได้กระทําในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเงินที่ท่านสะสมไว้กนละสองปีและสิบปีนั้นท่านก็หวังว่าเมื่อทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะได้พึ่งเงินจำนวนนี้ประทังชีวิตต่อไปเป็นเงินที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสะสมไว้วันละเล็กวันละน้อยแต่ท่านทั้งสอง ก็สามารถตัดใจช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดในพริบตาเดียวนี่คือการทำความดีที่ยากยิ่งจริงๆอีกตัวอย่างหนึง่งของผู้ที่ชนะใจตนเองได้คือท่านผู้เฒ่าจินท่านอายุมากแล้วยังไม่มีบุตรไปสืบสกุล ด้วยความบังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นอนุปริยาของท่านผู้เฒ่าแต่ท่านกลับไปยอมรับความบังดีนี้ท่านให้เหตุผลว่าท่านนั้นชราภาพแล้วส่วนเด็กสาวนั้นอายุไม่ถึงยี่สิปีควรจะได้สามีที่มีไวัยไล่เรียกกันท่านจึงไม่ควร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 คือความแตกต่างกันในคุณค่าของความดีการทำความดีต่อผู้อื่นนั้นก็จะต้องแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาก็มีความสำคัญเช่นกันการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมีวิธีการมากมายประมวลแล้วก็สามารถแยกออกได้สิบวิธีด้วยกันคือ 1>, 1. ช่วยเหลือผู้อื่นทําความดี 2. รักและกรบทุกคนอย่างเสมอหน้า 3. สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้ที่มีความดีพร้อม 4. ชี้ทางให้ผู้อื่นทําความดี 5. าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความขับขัน 6. กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ สาธารณเจ็ดอย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพ์ต้องมันบริจาคแปดทำโรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมเก้าเคารพผู้มีอาวุโสกว่าสิบรักชีวิตผู้อื่นดุดรักชีวิตตนเอง การทำความดีต่อผู้อื่นข้อหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรเมื่อครั้งท่านตี้สุนยังไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นดินจีนสมัยโบราณก่อนคริสต์ ศ, ศักราช2255หรือ2208หรือก่อนพุทธศักราช1712 หรพันหกร้าท่านไปยังหนองน้ําแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกําลังจับปลากันอยู่คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ที่มีน้ําลึกปลาชมุมส่วนผู้ที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราถูกกันให้ไปจับปลาอย่างที่ที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวและที่มีน้ําตื้นซึ่งปลา จะไม่ชอบมาในบริเวณนั้นทำให้จับปลาไม่ได้ทันตีสุนเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารจับใจท่านยังก็ไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและผู้ชราหาปลาใครที่เห็นเก่ตัวชอบแย่งที่น้ำลึกท่านก็นิ่งซะไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นเก่ตัวท่านก็จะนำพฤติกรรมของเขา ไปสันเสริญจนทั่วต่นเองก็ทําตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกๆวันจนการเวลาได้ผ่านไปหนึ่งปีชาวบ้านพากันสํานึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทําดีต่อกันและ ก, กันในที่นี้นะพอจะต้องบอกให้รู้ว่าพ่อไม่สนับสนุนเรื่องการจับปลามาเป็นอาหาร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 แต่ท่านอุตสาใช้เวลาถึงหนึ่งปีเต็มก็เพื่อจะให้ทุกคนน่ะกลับตัวกลับใจได้หมดและจะไม่กลับไปเป็นคนเห็นแก่ตัวอีกไม่ว่าในกรณีใดและเป็นไปได้วยความสมัครใจไม่ใช่โดยบังคับหรือขอร้องให้ทุกคนตระหนักถึงความดีที่ต้องกระทำร่วมกันเพื่อความผาสุก ข, ของพวกเขาเองพ่อ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 จงเก็บความรู้ความสามารถของเจ้าไว้ในใจอย่าได้แสดงออกให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นโดยไม่จําเป็นใครพลาดพลัง้งล่วงเกินลูกก็จงรู้จักให้อภยัยอย่าได้แกล้งพายความไม่ดีออกไปเพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจและเมื่อไม่มีใครรู้ก็ทําให้เขาไม่กล้ากําเริบเสบสารเพราะทุกคน ย่อมรักหน้ารักตาไม่อยาเป็นคนเสียชื่อเสียงเมื่อไม่วิจารณ์ให้ความลับของเขาเป็นที่เปิดเผยออกไปเขาจึงไม่กล้าที่จะทำผิดอีกบางคนนั้นเมื่อมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสแล้วเขาก็ทำตัวเหลวแหลกยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคนนี้ไม่ได้ก็ยอมเป็นคนชั่วเสเลยคนเช่นนี้มีให้เห็นเห็นอยู่ ลูกจะต้องคอยสังเกตว่าผู้อื่นนั้นน่ะเขามีความสามารถอะไรบ้างแต่เป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีก็จงรีบเอาความดีนั้นมาใส่ตนเถิดอย่าได้รีรอเลยลูกจะต้องรู้จักชมเชยสันเสริญความดีงามความสามารถของผู้อื่นให้แผ่ไปสารออกไปอย่าได้มีจิตริษยาในชีวิตประจําวันของลูก ไม่ว่าจะพูดสักคำจะทำอะไรสักอย่างจงอย่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองก่อนต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญลูกจงจำเอาไว้ให้ดีการทำความดีต่อผู้อื่นข้อสองรักและขอรบทุกคนอย่างเสมอหน้านั้นเป็นอย่างไร ผู้ดีนั้นคือคนที่มีคุณงามความดีและกระทาแต่ความดีงามอย่างสม่ำเสมอส่วนคนเลวนั้นบางทีก็ซ่อนอยู่ในคราบของผู้ดีปะปนกันจนบางทีก็ดูไม่ออกแต่ถ้าลูกสังเกตให้ดีแล้วก็จะเห็นความแตกต่างราวกับขาวและดำทีเดียวผู้ดีที่มีค้อแตกต่างจากคนทั่วไปนั้นคือมีน้ำใจ และรักกับรบทุกคนอย่างเสมอหน้ากันธรรมดาคนที่เราได้พบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นบางคนเราก็เคยใกล้ชิดด้วยบางคนก็ห่างเหินกันไปบางคนสูงศักดิ์บางคนต่าต้อยบางคนฉลาดหลักแหลมบางคนโง่เขลาเบาปัญญาบางคนมีคุณธรรมประจำใจบางคนก็ร้าย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 การทำความดีต่อผู้อื่นข้อสสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นอย่างไรหยกนั้นย่อมมาจากหินชนิดหนึ่งแต่เราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมีหยกเรนอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้ แต่ถ้ามนุษย์นำมาจจรไนเอาความเป็นหยกออกมาจากหินแกะสลักให้สวยงามก็มจะเป็นของมีค่าสำหรับห้องเตและคุณนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวเอาไว้แสดงถึงความบุญหนักสักใหญ่ยามที่ห้องเตออกคุณนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณนางเข้าเฝ้าห้องเต ก็ต้องถือยกพระราชทานเอาไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อห้องเต่ยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นอื่นอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่ายกมีความงามและความสำคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือของมนุษย์เองคนก็เช่นกันแต่มีคนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีคนธรมธรมดาธรรมดา ก็จะกลายเป็นคนดีพร้อมไปได้เพราะฉะนั้นลูกจงใส่ใจในคนที่รักดีมุ่งมั่นจะเป็นคนดีลูกจงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจประคับประคองเพื่อให้เขาเป็นคนดีพร้อมให้ได้แม้เขาจะถูกผู้คนปรักปรมก็จงช่วยชี้แจงปกป้องและยอมรับข้อปรักปรมนั้นว่าลูกก็มีส่วนผิดอยู่ด้วย เพื่อพอนคลายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาจนกว่าเขาจะยืนอยู่บนขาของเขาเองได้แล้วก็นับว่าลูกได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วคนดีเหลวนั้นมักจะคบหากันไม่ได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วก็มัวสมกับคนชั่วคนชั่วมักเกลียดชังคนดี ในชนบทบางแห่งที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบกคมเห็นคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่โกัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบมีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นขี้ปากคนชั่วที่ชอบพิพากษ์วิจารณ์คนผิดผิดเพราะฉะนั้น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 ชีท้ทางให้ผู้อื่นทำความดีนั้นอย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลธรรมประจำใจอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างไอ้ที่จะไม่มีเลยนั่นะคงหายากนอกจากมนุษย์จะมัวสารวนอยู่กับการแสวงหาลาบยศเงินทองชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมทำให้ต้องตกอยู่ในความหายันะ ถ้าลูกพบคนเช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาชุดเขาให้พ้นจากความหายณะให้จงได้ดุดคนฝันร้ายลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝันให้ความรู้ความคิดที่ดีงามแกเขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้เมื่อครั้งราชวงศ์ถัง ค, ศศคริสต์ศักราชห1 8สิบป ถึง907หรือพุทธศักราช1611หรือ1450มีคุณนางท่านหนึ่งท่านเขียนหนังสือสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนชาวจีนในความเคารพนับถือท่านมากเมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาจากฮ่องเต้ ให้เป็นที่หวนเป็นการเชิดชูผลงานอันมีทั้งร้อยแก้วร้อยกลองที่เยี่ยมยอดนั่นเองชาบ้านพากันเรียกกันว่าหานหอนกงท่านเคยกล่าวไว้ว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไปผู้อยู่ไกลก็ไม่สามารถได้ยินคาเตือนนั้นได้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 ใช้หนังสือเป็นตัวอย่างลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะไม่ได้ผลเลยดุดดังคนป่วยแต่ได้ยาตรงกับโรคก็จะหายวันหายคืนเหมือนคนได้มีนิสัยแข็งกระด้างแต่เราใช้คำพูดตักเตือนเขาจะไม่เชื่อโดยง่ายพูดไปก็เสียเวลาเปลา่าแต่เป็นคนได้มีนิสัยอ่อนโยน การตักเตือนด้วยคำพูดมักจะได้ผลลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลกูกจะต้องดูคนเป็นต้องอ่านนิสัยได้ถูกต้องแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนเช่นใดสมควรตักเตือนด้วยคำพูดคนเช่นใดสมควรในข้อ่านหนังสือเพื่อแก้ไขตัวเขาเอง การทำความดีต่อผู้อื่นข้อที่หจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความขับขันได้อย่างไรเคราะหกรรมย่อมเกิดกันได้เสมอไม่ว่ากับใครใครหากลูกพบเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลูกจะต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงที แลาจะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาของลูกอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การช่วยนั้นไม่ประสบความสำเร็จท่านชุยจือซึ่งเป็นคุนนางในราชวงศ์หมิงในปลายสมัยพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ปีคริสต์ ศ, ศักราช1488ถึง1 5 0หรหรือพุทธศักราช2 0 3 1ถึง2048 ท่านกล่าวไว้ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่ควรคำนึงว่าจะได้บุญได้คุณสักเพียงไรขอให้ช่วยได้ทันท่วงทีจึงจะควรช่างเป็นคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณยสนิก ร, ร่การทำความดีต่อผู้อื่นข้อที่ห กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรไม่ว่าลูกจะอยู่ในชนบทเล็กๆหรือเมืองใหญ่ๆหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วลูกจะต้องไม่ท้ดถอยในการเป็นอาสาสมัครเช่นขุดคูส่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในนายามน่าแรงหรือสร้างํานบเพื่อป้องกันน้ำท่วม หรือซ่อมสะพานที่จำรุดเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือให้ทานอาหารแก่คนอดอยากหรือให้น้ำแก่คนกระหายแล้วลูกก็ควรชักชวนจาบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันกระทำความดีร่วมกันใครมีเงินก็ออกเงินใครมีแรงก็ออกแรงพนึกกาลังให้เข้มแข็งจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้น หากใครว่ารายลูกก็จงอย่าใส่ใจแต่เราทำดีโดยสุดจริตแล้วใครๆก็ย่อมเข้าใจและช่วยปกป้องลูกเสียอีกลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรคใดๆก็อย่าได้วางมือเป็นอันขาดการทำความดีต่อผู้อื่น อ, 7. อย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าซัพ์ให้มันบริจาคอย่างไรคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมากมายเพราะผู้มีพระภาคทรงแนะนำไม่รู้จักให้ทานเสก่อนการให้คือการเสีสละท่านที่บรรลุทำแล้วท่านเสีสละได้หมดทั้งอวัยวะภายในหรือภายนอกและทรัพย์สินเงินทอง ก็สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตท่านยังเสียสละได้หรือทรัพย์สินเงินทองของนอกกายชะไหนจาเสียสละไม่ได้ล่ะถ้าเราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้แบกภาระอันใดไว้ทำไม่จิตใจปลอดโปรง่งไม่ห่วงหน้ากังวลหลังใครทำของเราเสียใครขโมยของเราไป ก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเพราะเราเสียสละได้หมดจริงๆผู้ที่ไม่สามารถเสียสละได้ทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำทานบริจาคทรัพย์เสียก่อนคนในโลกนี้เห็นว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและเงินเท่า น, นั้นที่จะบรรดาลให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นคนส่วนมาก จึงให้ความสำคัญแก่เงินเท่าชีวิตหาได้กคิดสักนิดไมว่ว่าหากจะมีลมหายใจมันก็ดีอยู่รอกถ้าหมดลมเมื่อใดมีใครเคยเอาอะไรติดตัวไปได้บางไหมอุตรักเงินยิ่งชีวิตจึงควรฝึกตนให้รู้จักการบริจาคทรัพย์ให้ทานซะบ้างไม่ไม่ก็จะเกิดความเสียดายเพราะคนรักเงินยิ่งชีวิตมักเป็นคนตรนี ใจคอคับแคบแต่ถ้ามันบริจาค ก, ก็จะเกิดเป็นนิสัยอันดีงามขึ้นสามารถบริจาคได้มากขึ้นและไม่นึกเสียดายดังแต่แรก การทำความดีต่อผู้อื่นข้อที่8ปดทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมได้อย่างไรธรรมะคือประทีปติดซองวิถีทางแห่งชีวิตเมือหนทางข้างหน้าสว่างสวยัยชีวิตย่อมดำเนินไปตามทิศทางอันถูกต้องดุดดังคนที่มีในตาดีย่อมสามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดและดีที่สุดได้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 จากห่วงแห่งความทุกข์มีอิสระเสรีที่จะอยู่ในโลกต่อไปก็ได้จะไปให้พ้นโลกเสียก็ได้ฉะนั้นมืลูกเห็นสารที่บูชานักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือเห็นคำพีโบราณที่เป็นธรรมะอันสูงส่งลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพหากมีการขาดตกบกพร่องลูกจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม เพื่อประโยชน์กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปลูกจะต้องเผยแพร่ธรรมะทารงไว้ซึ่งธรรมะปฏิบัติตนด้วยธรรมะสอนให้ผู้อื่นรู้จักธรรมะจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่รู้ซึ่งในพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิ์คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าหากลูกทำได้เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้พระคุณของพระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงและได้ถวายความกตัญญูกะตะเวทีแด่พระองค์อย่างถูกต้องแล้วการทำความดีต่อผู้อื่นข้อที่ 9, เก้าเคารพผู้มีอาวุโสกว่าอย่างไรในครอบครัวย่อมมีบิดามารดาพี่ชายพี่สาว ที่มีอาวุโสกว่าเราเราต้องเคารพรักรู้จักปรนนิบัติเอาใจใส่ดูแลทุกสุขให้ความสุขความสำราญแก่ท่านให้ความสนิทสนมกลมเกลียวยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันพูดจากันด้วยวาจาอันไพเราะนานไปก็จะเป็นผู้มีนิสัยอันดีงามในประเทศ ย่อมมีห้องเต้เป็นประมุกที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีรับรจชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษากฎหมายยิ่งกว่าชีวิตของลูกเองอย่าอวดดีทําผิดโดยคิดว่าพระองค์น่จะไม่ทรงทราบการลงโทษคนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายก็ อ, อย่าเมาอำนาจจนตัดสินโทษ ด, ด้วยอารมณ์อย่านึกว่าพระองค์ไม่ทรงทราบ ก็ทำไปด้วยความลำพองใจโบราณท่านว่าการรับใช้ห้องเตะก็คือการรับใช้สวรรค์สวรรค์ย่อมประทานความเจริญความสุขสมบูรณ์ให้ท่านลูกทำดีพอการทำความดีต่อผู้อื่นข้อที่สิรักชีวิตผู้อื่น ดุดรักชีวิตของตนเองอย่างไรมนุษย์จากทรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็ด้จิตที่มีเมตตากรุณาการเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดคือใจของตนเองต้องเริ่มปลูกฝังจิตให้มีเมตตากรุณาก่อนการสั่งสมคุณธรรมใดๆก็ต้องเริ่มที่จิตอันกรอบด้วยเมตตากรุณาเช่นกัน ในสมัยราชวงศ์โจหรือจิวแตนโจโกงซึ่งเป็นใจเสี้ยงของพระเจ้าเฉินหวังเด็ดแต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจหลี่อันเป็นต้นําหรับที่ราชวงศ์ต่อมาถือเป็นแบบฉบับว่าเดกการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของขอ้จจาราชการกฎหมายและจารีตประเพณี รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธุญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตสรพพสัตว์ก็ง่ายแก่การตั้งคันฉะนั้นการเส้นสูงบูชาในเดือนนี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมียเพราะเกรงว่ากำลังตั้งคันอยู่นี่ ก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านจาโจงกงท่านนักปราดไม่จืได้กล่าวไว้ว่าผู้ดียอมอยู่ห่างไกลจากโรงครัวที่มีการฆ่าสัตว์เพราะเพียงแต่ได้ยินเสียงผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ทำให้จิตใจหดหูเศร้าหมองได้ท่านผู้ใหญ่แต่การก่อนจึงไม่ยอมบริโภคเนื้อสัตว์สี่ประเภทคือหนึ่ง ได้ยินเสียงสัตว์ที่กำลังถูกฆ่า2、เห็นเขาฆ่าสัตว์3、สัตว์ที่เลี้ยงอยู่เอง4、สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเพื่อให้เราบริโภคลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังทำไม่ได้ในทันทีก็จงแนะนำเขาให้เริ่มไม่แตะต้องเนื้อสัตว์สี่ประเภทนี้ให้ได้เสียก่อน เริ่มฝึกเสีงแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมย่อมติดตามมาเมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมแเราใส่ก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งมวลร้วนมีชีวิตจิตใจเช่นเราเหมือนกันการนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนๆเพื่อทำเครื่องหนุ่งหม ที่นิยมกันว่าสวยงามมีค่ามากที่แท้เป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวความจริงภาพใหม่ไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราน่า จ, จะใช้ผ้าฝ้ายที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์จะไม่ดีกว่านะแม้กระทั่งการถางดินข่านอนก่อนล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งสิ้นดูดูมนุษย์เกับทั้งหมด ล้วนจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตนเองต้องทำปานาติบาตอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตแม้กระทั่งมือที่ตกยุงบี้มดเท้าที่เหยียบลงไปบนสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ได้ นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆโครงโบราณมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจพ่อจนบัรนี้ท่านว่าไว้ว่าเพราะรักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารมาแมลงจึงไม่จุดตะเกียงดูเทว่าคนโบราณนั้นท่านมีเมตตากรุณาเพียงไรการทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุด อธิบายเท่าไรก็คงไม่หมดทาไมมีการเริ่มต้นก็ไม่ทราบว่าจะทำดีได้อย่างไรจงถือหลักสิบประการนี้แล้วลูกก็จงแผ่ขยายการทำดีให้กว้างขวางออกไปเองการสั่งสมคุณธรรมให้ครบหนึ่งหมื่นครั้งก็จะอยู่เพียงแค่เอื้อม